بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات ابن خطاب الإسلامية بالدمام تواصل معك أخي الكريم المصحف الشريف للأخ سعد الغامدي الشريط الحادي عشر ويحتوي على صور الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت. ن ع م و ع أ ش ر ا ء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 แล้วบทนี้ได้จบลงด้วยการโต้อตอบการกล่าวเท็จของพวกบูชาจเจวิตในการกล่าวอ้างที่ว่าอัลกุรอานนั้นใช่ตอนมารร้ายเป็นผู้นำลงมาเพื่อตอนเริ่มกับตอนจบสอดคล้องกันอย่างสวยงามที่สุดด้วยพระนามของลอปผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ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 เพราะพวกเขาไม่สัทธา إن أن ي ي หากเราประสงค์เราจะมีสัญญาณหนึ่งจากฝากฟ้าลง ม, มาอย่างพวกเขาแล้วขอของพวกเขาก็ยอมก้มลงต่อมัน และไม่มีข้อตักเตือนใหม่อันใดาจากพระผู้ทรงกรุณาประทานลงมาเว้นแต่พวกเขาจะผินหลังให้กับมัาแล้วความจริงพวกเขาได้ปฏิเสธดังนั้นข่าวคราวที่พวกเขาได้เคยเยาะเย้ยมันนั้น ก็จะมาาอย่งพวกเขาพวกเขาไม่ได้มองไปยังแผ่นดินดอกหรือว่ากี่มากน้อยแล้วที่เราได้มันงอกเงยออกมาจากทุกชนิดที่ดีมีประโยชน์ ถ้าจริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณหนึ่งอย่างแน่นอนแต่พวกเขาส่วนมากไม่ศรัทธาและถ้้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงเมตตาเสมอ د د أ أ และจงรำลึกถึงเมื่อพระอภิบาล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 แล้วว่าอกของฉันจะอึดอัดและลิ้นของฉันจะไม่คล่องดังนั้นพระองค์ทรงโปรดทรงฮารุนมาช่วยฉันด้วยเถิดและพวกเขามีข้อกล่าวหาต่อฉันดังนั้นฉันกลัวว่าพวกเขาจะฆ่าฉัน ا إ م م าบิออนนนมพรุ่งตัดว่าไม่ดอกเจ้าทั้งสองจงไปเถิดพร้อมด้วยสัญญาณทั้งหลายของเราแท้จริงเราอยู่กับพวกเจ้าเป็นผู้ฟังและวที่ฟิร์อนฟะกูลาอินนาระูลรับบิลอาเลมีน ดังนั้นเจ้าทั้งสองจงไปหาฟิรูดแล้วจงกล่าวว่าเราเป็นศาสนทูตของพระเจ้าแห่งซางโลโลกราลูกอัน أرسلنا بني إسرائيل แล้วขอให้ส่งวงวานของอิสราเอลไปพร้อมกับเราเถอดบ ا ل أ ل م ن و ر ب ك ف ي ن ا ولدوا ولا بتفينا من عمرك سنين เขาฟิรูดกล่าวว่าเราไม่ได้เลี้ยงดูเจ้าขณะเป็นเด็กอยู่กับเราอกหรือ และเจ้าได้อยู่กับเราหลายปีในช่วงชีวิตของเจ้า